แลแต่ปรารถนาความสงบคือถ้าไม่ปรารถนาความสงบ่าคงไม่เลือกมาที่นี่นะเพราะว่าข้างนอกนก็มีอะไรต่ออะไรที่จะสนุกสนานแล้วความสนุกสนานของผู้คนมันก็มักจะมาโคกู้กับความไม่สงบความกระทึกันี้พูดถึงความสงบที่เราปรารถนานี่นะ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 นะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางแก้วน้ำนะหรือว่าเห็นห้องมันสะกะปรกไม่เป็นระเบียบระเกะละกะทั้งที่ไม่มีเสียงรบกวนเลยนะอาจจะเป็นตอนค่ำคืนด้วยซ้ำนะแต่ว่าใจไม่สงบและ้ะเพราะว่ามันได้เห็นสิ่งที่ไม่ชอบเห็นความไม่เป็นระเบียบก็เกิดความหงุดหงิด นะหรือว่เกิดความกลัวขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สงบใจนะหรือว่านัดเพื่อนนตะ่เพื่อนไม่มาไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงรบ ก, กวนอะไรเลยแต่ว่าเพื่อนไม่มาตามนัดเนี่ยจิตใจก็รุ่มร้อนว่าวุ่นนะอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สงบใจนะในความไม่สงบใจนี่มันไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเสียงก็ได้นะ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 มันไม่ถูกใจเราเราก็เกิดความโกรธหงุดหงิดนะอันนั้นเรื่องไม่สงบไม่สงบใจอันนี้รวมไปถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยด้วยนะคนที่เจ็บป่วยเนี่ยมันแม่จะอยู่ในห้องแอร์ไม่มีเสียงดังแต่ว่าใจก็ไม่สงบเพราะว่ามันมีความขุนเคืองมีความรู้สึกึด อ, อัด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 เมื่อเราอยู่ได้ความสงบเราก็ต้องลงทุนบ้างลงแรงบ้างเช่นอย่างน้อยเรากมีความอดทนมีขันติเสียงดังยังไงเราก็อดทนอดกลั้นใครก็ททำอย่างไรไม่ถูกใจเราเรากา็ต้องฝึกอดทนอย่างตางๆก็ต้องมีขันติหรือว่า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 เขาอยู่สบายมาตลอดเขาก็เลยประพฤตัวอย่างนั้นเออพอเรามีเมตตาเราก็หายโกรธพอหายโกรธใจแล้วก็สงบนะหรือว่าถ้าไม่ชอบนะไม่ชอบต้งขันติไม่ชอบเมตตก็สติก็ได้นะสติก็คือว่าพอใจมันก็เพื่มใจมันก็เพื่มก็รู้ทันให้รู้จักสร้างสติมา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 ในเวลาที่อยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครอันนี้เราฝึกในรูปแบบก็ได้แล้วก็ฝึกเวลาออกไปเจอผู้คนไปเจอผัสสะที่จริงตอนไปเจอผัสสะนี่แหลเป็นการฝึกอย่างดีเลยและที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกไปฝึกไปนะ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 ผู้รักษาประตูเมืองมูปาบประตูเมืองนี่คือสตินั่นแหละนะก็ต้องหมั่นฝึกนะให้เขาเข้มแข็งใครจะฝึกนะก็ต้องเป็นต้องเป็นเรานั่นหะหนะที่จะต้องขวนขวายเอาใจใส่ยอมเสียเวลาในการฝึกให้เขาทำงานเข้มแข็ง ถ้าผู้ปกครองนครหรือเจ้าเมืองเนี่ยไม่เอาใจใส่นะอยากจะให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีไม่มีการปนสะดมแต่ว่าขอเอาแต่ขอร้องโจรว่าหรือเอาแต่ขอร้องศัตรูว่าอย่าเข้ามาบุกเมืองฉันนะอย่ามาทำอะไรเมืองฉันนะนะให้อยู่เฉยๆนะ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 เราจะไม่ทําอะไรเลยแต่บอกว่าเนี่ยให้ทาตัวให้เรียบร้อยนะใครต่อใครทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้แล้วก็ต้องฝึกต้องขึ้นแข็งเราต้องตัดเตรียมแด้ถ้าเกิดว่าเมืองมันถูกทําลายถูกทะลุทะลวงเข้าไปเข้าไปปนสะดมเข้าไปเถานี่ อย่าไปโทษคนอื่นนะต้องโทษตัวเราว่าทําไมละลวมนะไม่กวดขันในเรื่องการรักษาเมืองเอาไว้ถ้าก็ดมาค่อยเวลาเราทุกข์ใจนะก็ต้องมองมาที่ตัวเองก่อนว่าทําไมเราละลวมไม่รักษาใจให้ดีอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้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 ไปรับมือที่ไหนก็คือมาดูใจรักษาจใจตัวเวลามีอารมณ์มากระทบรใจกมันก็เพิ่มเนื้อเพราะกระเพิ่มลงหรือว่ายินร้ายเนี่ยไอ้กระเพิ่มขึ้นก็ต้องก็ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าไปไประมระวังแต่ไอ้ความยินร้ายความไม่พอใจความมิ่ม่งที่เกิดขึ้นความยินดีความดีใจก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะมันก็มีโทษนะ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 ะครโดยการเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นก็อย่าลืมใจนะเพราะว่าถ้าลืมใจวันไหนเนี่มันก็จะใจมันก็จะทุกข์ได้ง่ายความทุกข์มันก็จะจู่โจมเข้ามาเล่นงานจิตใจเพราะว่าใจมันเปิดช่องไม่มีไม่มียามนะคอยมารักษาใจการปฏิบัติจารติมันก็ง่ายๆสองอยานนะ่างคือไม่ลืมกายไม่ลืมใจ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 ภัดแต่างๆที่เกิดขึ้นหรือภัดแย้งที่ไม่น่าพอใจนะมันจะช่วยเตือนให้เราเนี่ยนะไม่ไม่มีปฏิกิริยาในทางลบเพราะถ้าไม่เตือนแบบนี้เนี่ยมันจิตมันก็จะเกิดโทสะได้ง่ายเกิดความไม่พอใจได้ง่ายแต่ถ้าเราหมอเออนี้เขากำลังมาฝึกเรานะหรือว่านี่เป็นโอกาสที่เราเพิงได้ฝึกนะสิ่งที่ขาดอกขัดใจเราเนี่ยนะ มันสามารถจะใช้เป็นเครื่องขัดใจเราให้สะอาดได้หรือขัดใจเราให้เมตตาอัต า, ตาเบาบางลงได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินะมันก็ทำให้ใจเราติดขัดติดข่าก็เรื่องเก่าๆผ่านไปแล้วเป็นวันผ่านไปแล้วเป็นปีก็ยังขัดยังตีตรงนั้นแหละเพราะว่าคนนั้นคนนี้พูดไม่ถูกใจเราหรือว่าเขา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 ยังไม่สามารถจะหลุดไปจากสิ่งนั้นได้นะอย่างน้อยล้วก็ฝึกขันติก็ได้ฝึกด้วยการไม่บน่นไม่บน่นไม่โยวยวายถึงแม้ใจมันจะยังมีความขุดมัวนะแต่ว่าเราฝึกไม่บน่นหรือถ้าทำไปดี ก, ก็คือฝึกใจให้ไม่บ่นด้วย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 ยอมรับให้คิดแบบให้นึกแบบอย่างที่หลวงพ่อชาวก้อนเนี่ยทุกอย่างนี่มันถูกหมดแล้วแต่ใจเราต่างหากที่วางไว้ผิดนะมาถึงทุกข์นะฉันพอใจเราไม่ยอมรับพอใจระาาไว้เพียงเป็นยังไงคือปฏิเสธผักสายไม่ยอมรับมันเองแล้วมปฏิบัติเนี่ยช่วงพรรษา น, นี่ลองฝึกดูว่าเออเราจะยอมรับทุกอย่างโดยไม่บน่นโวยวาย หรือว่าท้างข้างในมันบ่นโวยวายแต่ว่าก็จะไม่บ่นออกมาข้างนอกเป็นการฝึกจิตเป็นการสฐานก็ได้เราจะอยู่ในวัดโดยที่ไม่บ่นโวยวายตีโพยติภายใจยจะยอมรับทุกอย่างหรือถ้าใจยังยอมรับไม่ได้มันยังบ่นอยู่ข้างในคุณเคืองข้างในก็ไม่บ่นออกมาข้างนอกแต่นี่มันคนละเรื่องกับการการการแนะนำการ